ในทีมจิตปัญญาโยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยขอดูผลงานการศึกษาหน่อยอาจารย์น่าจะให้หลวงพ่อเป็นคนประเมินนะ <c oughs> มีท่านนี่เหรอเรียนธรรมะหนะ้าต้องเรียนด้วยใจเรียนด้วยใจที่เปิดกว้างนะเพราะเนื้อหาสาระที่เราเรียนนี้ก็แปลกกว่าที่เราเคยรู้ <c oughs> เคยเห็นนะ วิธีเรียนก็แปลกไปวิธีที่เราเคยเรียนวิชาอื่นๆมันแปลกไปหมดอ่ะคือถ้าอย่างถ้าเราเรียนเอาเกรดนะจะไม่ค่อยรู้เรื่องเราเรียนด้วยความเครียดจะเรียนไปเครียดไปนะเรียนยากแต่ถ้าเราเรียนด้วยใจที่เปิดกว้างนะใจสบายรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายๆอย่าคิดมากทำมากคิดมากไม่ได้กินหรอก เพราะความคิดนั่นแหละปิดกั้นความจริงเอาไว้ความคิดปิดกั้นความจริงไงยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่านักศึกษาสาวๆเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็คิดได้ใช่ไหมความจริงเป็นแค่นางงามจักรยานคือความคิดนั่นแหละมันไม่ใช่ของจริงนี่เราอยู่กับโลกเราเคยชินแต่เรื่องต้องคิดเอาอะไรๆก็คิดเอาคิดเอานะในขณะที่พระพุทธเจ้าบอกอย่าเชื่อ อย่าเชื่อตรร ก, กะนะคิดด้วยเหตุด้วยผลเชื่อไม่ได้เราฟังเลคเชอร์นะเราตอบเหมือนอาจารย์สั่งมาเราได้คะแนนพระพุทธเจ้าบอกอย่าเชื่ออาจารย์อันนนท์ก็ไม่ให้เชื่ อ, อ น, นี่ก็ไม่ให้เชื่อนะแต่ให้เข้าไปทดลองเข้าไปทดลองด้วยตัวเองวิธีเรียนโหสถศาสนาพุทธเลยเรียนด้วยกันเข้าไปดูของจริงว่าของจริงเป็นอยัางไงอันนี้ของจริงที่จะดูนะก็คือกายกับใจวิธีดูจะดูยังไง วิธีดูนี่แหละคือวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ได้ยากอะไรหรอกง่ายๆเลยนะจำไว้หนาคีเวิร์ดมีไม่มากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจำไหว้ไหมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือหลักของการเจริญปัญญา มีสติหลวงพ่อพูดเรื่องสติมาให้ฟังมาสองวันและ้วสติไม่ได้บังคับนะสติไม่ได้แปลว่ากำนวลสติแปลว่าความะระลึกได้สติละระลึกได้เพราะว่าจิตจำสภาวะแม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆงั้นเราก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆนะจนสติมันเกิดเองมีคำว่าเองด้วยไม่ใช่เองนะเองสติเกิดเองไม่ได้จงใจให้เกิดแต่เกิดได้เอง ถ้าจิตมันจำสภาวะได้เช่นคนไหนขี้โมโหนะดูใจที่โมโหบ่อยๆแต่ไปจิตมันจำได้ว่าโมโหหน้าตาแบบนี้เวลาโมโหเกิดนะมันเกิดตรงไหนใครเคยโมโหบ้างเอามือลงตอนโมโหเกิดโมโหเกิดตรงไหนเนี่ยเอาใครว่าเกิดที่สะดือยกมือ <c oughs> นี่มีหนึ่งลายใครว่าเกิดที่ท้องยกมือสินี่สองลาย มีหนึ่งสองใครว่าเกิดที่หน้าอกอ๋อใครที่ว่าเกิดที่หัวใจมีไหมหัวใจก็มีโอ้มีเยอะเหมือนกันนี่หัวใจโกรธใครว่าเกิดที่สมองเห็นไหมมีเยอะแยะเลยไปหา ด, ดูนะแล้วให้รู้ว่ามันเกิดที่ไหนนะคนไหนขี้โมโหนะดูใจที่โกรธ อย่างพอมันโกรธพุ่งปุ๊บมาไม่บอกนะว่าพุ่งจากไหนให้ไปดูเอาเองพอมันพุ่งขึ้นมาหน้าสติะระลึกรู้มันจะสลายตัวไปถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันขึ้นหัวนะขึ้นหน้าเลยเรียกเลือดขึ้นหน้าราคาละเวล า, เวลาเกิดเกิดที่ไหนโมหะเกิดตรงไหนแม็กกิเลตอยู่กับเรามันตั้งแต่เกิดไม่รู้สักอย่างลอยถ้วยจริง <laughs> ไม่เอาไหนเลย เรียนนะลองเรียนดูค่อยๆสังเกตดูคนไหนโมโหบ่อยหน่าเอาโทสะเป็นวิหารธรรมรู้บ่อยๆโกรธขึ้มารู้โกรธขึ้มารู้ต่อไปขัดใจเล็กๆก็รู้และคนไหนขีช้โลภนะดูไปใจมีความอยากก็รู้ใจอยากก็รู้ตอนอยังดูไม่เป็นมันก็ต้องอยากแรงๆก่อนเช่นอยากได้รถยนต์คันใหม่อยากได้สามีคนใหม่อยากได้ภรรยาคนใหม่หอะไรเงี้ยนะต้องอยากแรงๆก่อนถึงเห็น เราหัดสติเราไวขึ้นไวขึ้นนะต่อไปแค่อยากดูก็รู้ละแค่อยากดูความอยากก็เกิดแค่อยากฟังความอยากก็เกิดอยากรู้เรื่องอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัตินี่นี่อยากทางใจความอยากเกิดที่ไหนเอาอีกแล้วความอยากอาศัยอะไรมันเกิดตอบไม่ได้สักข้อแปลกทาวนาวนะ ค่อยๆดูงั้นคนไหนขี้รอบก็ดูไปต่อไปนะใจอยากขึ้นนิดนึงก็เห็นแล้วความอยากผุดขึ้นมานิดนึงก็เห็นแล้วความอยากก็เกิดที่ใจนั่นแหละแต่อาศัยช่องทางช่องทางหกช่องทางอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายบางทีก็อยากดูใช่เหไหมที่อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากไดอารมณ์ทางใจที่ถูกอกถูกใจ อยากจะใหอารมณ์ที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจหายไปเป็นความอยากนะเกิดที่ใจเรานี่เองความอยากก็เป็นกิเลสตัวมันเป็นราคะเป็นโลภะก็ะเกิดที่เดียวกับโทสะนั่นแหละแต่อาศัยวัตถุอาศัยเหยื่อล่อที่ต่างกันนี่นเราค่อยๆสังเกตไปนี่ถ้าเราหัดดูเรื่อยๆนะสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นเคยต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้นี่จิตขุ่นนิดเดียวก็เห็นละ ถ้าไปเคยโลภแรงๆนะอยากเปลี่ยนสามีอยากเปลี่ยนภรรยาอะไรเงี้ยถึงจะเห็นต่อมาเนี่ยใจแค่อยากปฏิบัติก็เห็นและอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะ <c oughs> ถ้ารู้ไม่ทันก็ผิดนะถ้ารู้ทันก็ใช้ได้ได้แต้มได้คะแนนเ <c oughs> นื้อหลักของการปฏิบัตินะให้มีสติสติเนี่ยเกิดจากจิตจับสภาวะแม่น <c oughs> หัดดูสภาวะไปเรื่อยสติยิ่งเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอารมณ์เบาๆสติก็เห็นละแ ว, วบก็เห็นละ ะระลึกได้เองรู้ได้เองไม่ได้เจตนาสติะระลึกอะไรต้องะระลึกรู้กายรู้ใจเป็นระลึกของอื่นไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเราจะเรียนเรื่องกายเรื่องใจคำว่าทุกข์ในทางศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องอื่นเลยจำไว้น่าทุกข์ในทางศาสนาพุทธคือรูปกับ น, นามคือกายกับใจแค่นี้เองไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกเพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่องกายเรื่องใจมีสติรู้กายรู้ใจรู้ยังไงต้องรู้ให้ตรงความจริง ถ้ารู้แล้วก็บิดเบือนความจริงไปเรื่อยๆก็ใช้ไม่ได้รู้แล้วบิดเบือนเช่นจิตไม่สงบนะพอรู้ว่าไม่สงบก็หาทางทำให้สงบจิตไม่มีความสุขพอรู้ว่าไม่มีความสุข Senhor, สก็หาทางทำให้มีความสุขอันนี้รู้แล้วบิดเบือนรู้แล้วใช้ไม่ได้ให้รู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้านี่เป็นยังไงความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่เรารู้จักอยู่ทุกวันนี้ก็คือไตรลักษ เพราะฉะนั้นการภาวนานะจะต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็คือต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าเห็นอย่างอื่นใช้ไม่ได้ไม่ใช่วิปัสสนาอย่างบางคนดูล่างกายนะเห็นเป็นปฏิกรูปเป็นอาสุพระไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นสมถกรรมฐานอย่างดูล่างกายให้เป็นปฏิกรูปเป็นอาสุพระปฏิกรูปอาสุพระไม่มีจริงหรอกคนนึงว่ากลิ่นอย่างนี้เหม็นคนนึงว่ากลิ่นอันเดียวกันเนี้ยหอมเห็นไหม เอาแน่ไม่ได้อย่างเราบอกว่าศพเหม็นเนี่ยอีแรงว่าหอมเนี่ยมันเนี่ยมันไม่แน่นอนแต่ไฟร้อนใช่ไหมคนถูกไฟก็ร้อนอีแรงถูกไฟก็ร้อนนี่ของจริงธาตุไฟนี่ของจริงรูปตัวจริงความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมคนไทยโกรธกับคนจีนโกรธคนฝรั่งโกรธใช่ไหมความรู้สึกอย่างเดียวกันแต่ท่าทางอาจจะไม่เหมือนกันคนไทยโกรธแล้วก็ยิ้มไหมยิ้มเดี๋ยวมึงเพลอเมื่อไหร่กูจะเสียบ ฟรั่งเกล altung ก่อนจะแสดงความไม่พอใจเอาครังมาไม่ปิดบังคนจีนอาจจะวาคแช่ง ๆ, ๆรู้ขึ้นเต็นงิ้วเลยก็ได้แต่ว่าอาการต่างกันแต่ความรู้สึกเกลนนั้นเหมือนกันนะครั้งความรู้สึก Kong would be like стран bambung ge เรียกว่าอารมณ ista ส่วนบัญหัดัยไม่เหมือนกันแล้วอย่างกรียาท่าทา ง, อะไรงยนะแต่ล้ชาติแต่ล้าภาษาไ ม, เหมอนกน ถ้าเราดูของจริงนะอยา่างปฏิกรูนัสุภาไม่ใช่ของจริงงั้นต้องดูกายถ้าดูกายก็ดูว่าเออมันไม่เที่ยงนะแม่ร่างกายที่หายใจเข้าเดี๋ยวเกิดแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจออกเกิดอยู่พักหนึ่งก็กลายเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายเปลี่ยนไปเรื่อยร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเห็นไหมเปลี่ยนไปเรื่อย เ, เ, เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ไ, ไปเรื่อย เดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็ไหวเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนในร่างกายส่วนต่างๆ น, นี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นธาตุกรรมฐานอ ะ, นะดูความเย็นรอน้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะความแข็งความอ่อ น, นดูความร้อนความเย็นดูธาตุธาตุกรรมฐานคำจริงของกายก็เป็นก้อนธาตุเ น, นี่ยเฝ้าดูลงไปนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอ น, นิจจัง สภาวะอันใดอันหนึ่งในกายเนี่ยทนอยู่ไม่ได้จริงอย่างหายใจเข้าก็ทนไม่ได้นะเดี๋ยวก็ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วก็ทนไม่ได้เดี๋ยวหายใจเข้าทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าทุกข์ขังมันจะเป็นยังไงนะมันจะดีมันจะไม่ดีมันจะสุขมันจะทุกข์อะไรเราสั่งมันไม่ได้จริงส่งที่เราบังคับมันไม่ได้นะเนื่องว่าอนัตตาร่างกายเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา ใครว่าไม่มีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลามีไหมมันไหลเข้าไหลออกตลอดเลยนะอย่างหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยธาตุในร่างกายเราก็เปลี่ยนเอาบางอย่างเข้าไปเอาบางอย่างทิ้งออกไปนะกินอาหารแล้วก็ขับถ่าย น, นี่ธาตุมันก็หมุนอย่างนี้หมุนไปเรื่อยๆเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่ตัวเราร่างกายจริงๆไม่ใช่คนนะร่างกายเป็นวัตถุ นี่เราไปสำคัญม่านหมายนี่เป็นตัวเรานี่เป็นคนนี่เป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้ชายนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาจริงๆเป็นอะไรเป็นขี้ฝุ่นเป็นเศษทุลีของจักรวาลไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยเป็นขี้ผงแหละตอนนี้เป็นขี้ผงอีกหน่อยก็เป็นขี้ผงเพราะจริงๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรครับเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาโดยชั่วครั้งชั่วคราวอาศัยสัญญาอาศัยใจบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมา เราดูจิตดูใจตามความเป็นจริงเป็นไงจิตไม่เที่ยงดูออกยังมาเรียนหลายวันจิตไม่เที่ยงเห็นไหมเดี๋ยวจิตสุขเดี๋ยวจิตทุกข์เดี๋ยวจิตเฉยเฉยดูออกไหมเดี๋ยวจิตโลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวก็ไม่หลงรู้สึกไหมเนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงของที่เคยมีก็ไม่มีของไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมานี่เรียกว่านิจจังนะ อย่างใจเราสบายสบายอยู่เห็นหน้าคนนี้ปุ๊บความโกรธเกิดขึ้นเลยเห็นไหมใจที่สบายสบายเดิมไม่มีอะไรส บ, สบายสบายอยู่เห็นไหมอยู่ๆเกิดความโกรธขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงละนี่อนิจจังมีความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทนันความโกรธ ด, ดับวับไปเห็นไหมเป็นอนิจจังมันไม่คงที่เลยทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลีๆ่ยนแปลงปรากฏการที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลายนะง kisses me 贍 means sao it's okay สับความว่าอันแต่อันหนึ่ง is right คุณ ув plais activities person to come to this side ไม่ น, านหละ Largo ロ lived with 興 иру далее มีเด็กสาวคนหนึ่งบอก Nous growth เป็นปีปีเลยนะบอก Largo Pokey being wondered if we re find there any years กันพล่อเล่นเอาเป็นปีปีก็แล้วกันแต่นามเป็นปีเลยถ้าไม่ growth because we don't have a year ให้ regres the end บอกหนู excellent STRrud ๆ www.sav 어요มันล่อดเลยนะ บอกเคยไม่ไปเที่ยวที่ไหนไปศูนย์การค้าไปอะไรเงี้ยหน้าตานะ่ะให้เลยว่าชอบเที่ยวจะ <c oughs> ถามเลยใช่ไหมไปเที่ยวที่โน้นที่นี่นะไปตามศูนย์การค้าที่ไม่เคยไปอะไรเงี้ยเคยไหมอยากเข้าห้องน้ำฉับพลันบอกเคยตอนที่วิ่งหาห้องน้ำนะ่ะอกหักไหมไม่อกหักนะแต่เที่ยวหาเลยซ่วมอยู่ไหนหวะนะพอเสร็จธุระในห้องน้ำนะ โกรธทุกโกรธร้อนแล้วเริ่มคิดใหม่คิดใหม่น้อยใหมือห่างโอกกูเห็น ไ, ไหมโกรธขึ้นมาใหม่ ล, ละนั่นกระทั่งความโกรธนะเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ได้ไม่นานหรอกสิ่งทั้งไหลายอยู่ทนอยู่ไม่ได้นานนะเรียกว่าทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทำไมมันถูกบีบคั้นเพราะเหตุของมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างโทสะนะมีเหตุตัวหนึ่งนะมีเหตุหลายตัวนะมีปัจจัยหลายตัวตัวหนึ่งก็คือเราต้องคิด ใ, ในทางที่ไม่ดี ต้องมี departed วิตก lif şi hi chi ต้องมีพยาบาทวิตกษ์ ukt คนถึงในทางอะ Gift ตอนกปวดท้องอย่าเข้าห้องน้ำใช่ไหมั้ยลืมคิดถึงไอ้หนุ่มคนนี้ Voor ancestral mixed effect ไม่ใช่กูเก่งนะแต่เหตุมันดับ watched a bull visible หรื ota กลดใครสักคนอยู่ miner besides black เพราะเห็นมากลดเดิน uncertainty ถ้าไม่ความกลดดับเพราะเหตุของข puter priority ค่าไม่ใช่เพราะกูเก่งご repente อยขน เมื่อไรรู้เมื่อนั้นไม่คิดนะเมื่อไรคิดเมื่อนั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นเหตุของความโกรธก็ไม่สมประกอบความโกรธก็ดับเพราะเหตุมันดับเนี่ยมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะสภาวะทั้งหลายเนี่ยเพราะเหตุของมันอะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นสภาวะทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้หรอกสภาวะทั้งหลายเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นไหมมันเป็นเพราะเหตุนะดับเกิดเพราะเหตุดับเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่ง ตรงที่เราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าอนัตตานะเป็นอนัตตางั้นเราคอยดูของจริงมีสติไม่ได้จงใจรู้แต่รู้อัตโนมัติขึ้นมารู้อะไรรู้กายรู้ใจนะพวกเราชาวเมืองก็ดูจิตดูใจให้มากหน่อยนะมันเหมาะกับคนเมืองเราดูใจไปนะดูตามความเป็นจริงคือเห็นใจรักบางคนดูแล้วไม่เป็นจริงดูไปเรื่อยนะใจเบาขึ้นเบาขึ้นนะมีความสุข มีความสุขอยู่สามเดือนแล้วก็ยังมีความสุขอยู่ยงั้นน่ะสามเดือนนิเที่ยงดูภาวนาไปแล้วมีแต่ความสุขทุกวันมีความสุขความสุขเที่ยงแทนที่จะเห็นทุ ก, ก็เห็นสุขนะแทนที่จะเห็นไม่เที่ยงก็เห็นมาเที่ยงรู้สึกว่ากูเก่งด้วยกูปฏิบัติ ด, ดีนะจิตกูดีทุกวันเลยจิตกูสบายทุกวันเลยนี่เป็นอัตตานั่นไม่ใช่อนัตตานั้นถ้าภาวนาแล้วก็ไม่เห็นใจรักนะยิ่งกลับหัวกลับหางกระใจรักแล้วก็ผิดแน่นอน งั้นอย่างพวกเราหัดดูจิต ด, ดูใจไปช่วงหนึ่งระวังให้ดีมันจะเกิดวิปัสณูปกิเลสแต่ไม่ใช่ดูจิตแล้วมีวิปัสณูครั้งเดียวนะทำวิปัสสนาถ้าไม่ว่าจะดูกายดูเวทนาดูจิตนั้นถ้าดูถูกต้องแล้วมันจะเกิดวิปัสณูแน่นอนนะ่ะหนีไม่พ้นหรอกงั้นถ้าดูจิตในวิปัสณูที่นิยมเกิดนะก็คือความว่างใจอย่าไปโล่งไปว่างนะสว่างสบายโล่งว่างนะใจมันเคลื่อนเคลื่อนออกไปมองไม่เห็นว่าใจเคลื่อนออกไป ไปติดอยู่ในความโล่งความว่างสามเดือนเราก็ยังสบายอยู่งั้นเป็นปีๆก็อยู่ได้อยู่ตรงนี้เป็นปีก็อยู่ได้ถ้ารู้ไม่ทันว่าจิตหลงไปแล้วหลงไปอยู่ในความว่างๆความโล่งๆความสว่างนี่เป็นวิปัสสนูชื่อโอภาษณ์คนดูจิตจะมาตัวนี้เยอะเพราะว่าโอภาษณ์เนี่ยเป็นอรูปไม่มีรูปร่างอะไรดูยากสบายไม่มีอะไรให้หมายให้สังเกตง่าย สบายมา3เดือนแล้ว Force Ma's. ฤรรมข้อบฐาพ話 pierется swad hai residence__oque Wheels vaut segunda that's five years months Now that there is a FIFA game at least with a maximum for some of the past trouble ดวันเติดต่อ حد yap effectively ร مل 어중 lidt should be a genoty on the photo. ต่อพวนารู้หมดเลย üng 惜 sacrifice รู้ zentv unasuseous 55 Romaря k1 gibt sociedad from a screen devastated regardless of whether or not multiply in previous nanoic Persia training 부 borgPA wa equipped with a three sepuriton ش Relingt araus for a field for all you 21 is a collective to come of an extreme ภาวนานะจิตรวมปุ๊บดวงสว่างขึ้นมานะเรานึกถึงธรรมะนะไล่ตั้งแต่หมวดหนึ่งนะจนหมวดตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่นะไล่ไปได้เยอะแยะไปแล้วธรรมะแต่และตัวเนี่ยลิงก์กันหมดเลยโอ้โหทำไมความรู้เยอะอย่างนี้นะอศัศจรรย์ในธรรมะนะพยายามจำไม่ใหญ่เลยรจดไม่ทันนะพยายามจำไม่กี่วันนะเหมือนคนบ้าเลยใจนี่หนักอึดเลยนะไปไหนก็เหมือนเราแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยให้เราภาวนาผิดละภาวนาผิดละ ทำไมใจก็หนักอยู่งั้นนะไม่มีเบาเลยมีแต่หนักอย่างเดียวเลยนี่ทำไมคงที่ละเห็นคงที่นะเห็นอะไรคงที่ไปเชื่อมันนะไม่มีจริงหรอกของปลอมต้องไปติดเลยสักอย่างแล้วถ้าเห็นคงที่นี่เราดูไปต้องเห็นตรงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ความจริงแล้วทำยังไงจะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ได้มีเงื่อนไขคือสัมมาสมาธิ เราต้องรู้ต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยอะไรด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละคือจิตที่มีสัมมารถสมาธิจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ตั้งแช่ไม่เหมือนกันในโลกนี้ไม่มีคนจิตตั้งมั่นหรอกหายากต้องได้ฟังธรรมะอย่างดีเลยนะจิตถึงจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตของเราจะไหลตลอดเวลาดูออกไหมจิตไหลตลอดเดี๋ยวไหลไปทางตาเดี๋ยวไหลไปทางหู ไหลไปไหลามาตลอดเลยแล้วเวลาตั้งก็ตั้งแบบบังครับมาไว้ไม่ได้ตั้งเองตั้งแบบเครียดเครียดแข็งแข็งนี่ให้ตั้งสามวันก็ได้เพราะชำนานมากเลยเรื่องไม่เอาไหนเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะต้องมีลักษณะสำคัญนะต้องมีความเบาถ้าตั้งแล้วหนักเนี่ยไม่ใช่หรอกจิตที่ตั้งมั่นต้องมีความนุ่มนวล จิต ท, ที่มีสัมมาสมาธิจริงๆนุ่มนวล น, นะไม่ใช่ตั้งแข็งแข็งต้องเบาด้วยต้องนุ่มนวลด้วยต้องคล่องแคล่วว่องไวในการทำงานด้วยไม่ใช่ตั้งแล้วก็ทื่อทำให้ดูเนี่ยดูออกไหมอุตส่าห์ทำทั้งข้างนอกข้างในให้เหมือนเลยซึมกระถืออย่างนี้นะใช้ไม่ได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมามีสัมมาสมาธิรู้ตื่นเบิกบานนะ จะปราดเปรียวจะปราดเปรียวจะว่องไวความปราดเปรียวความว่องไวเรียกว่าป่าขุนตาว่องไวจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมามีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจะรู้สภาวะทั้งไหลายอย่างศักดิ์ว่ารู้ได้รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ซื่ อ, อรู้อย่างซื่อตรงซื่อตรงในการรู้ เพราะจิตมีหน้าที่รู้ดังนั้นจิตก็รู้ซื่อๆรู้ตามหน้าที่ไม่ได้รู้แบบเจ้าเล่ห์แสนกลรู้อันนี้ก็จะไม่เอารู้อันนี้ก็จะเอาอะไรเงี้ยแล้วรู้ซื่อๆดังนั้นจิตชนิดนี้เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาต้องพัฒนาให้มีขึ้นมานค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปถ้าจิตเราหลงไปคิดเรารู้ทันนะอย่าดึงคืนมาถ้าดึงคืนมาจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อดังนั้นต้องไม่บังคับจิต แต่ต้องรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปเราก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปเราก็รู้ทันอย่าไปบังคับมันให้นิ่งนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะคือนักบังคับจิตเหมือนกันหมดเลยนะสำนักไหนก็เหมือนกันหมดแหละภาวนาด้วยกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดเลยเออาร์ก็ไม่ถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งจิตนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันนิ่งให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวนิ่งๆเวลาที่เราเพ่งอะไรสักอย่างสังเกตไหมหจิตเราจะไหลไปอยู่ตรงนั้นเอาทุกคนช่วยกันเพ่งพระอีก เพียงเฉพาะยอดนะอย่าดูหน้าท่านนะดูเฉพาะตรงปลายแหลมแหลมข้างบนนั้นดูออกไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่ยอดพระที่พระเกศนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเพ่งไปจ้องอะไรนะจิตเราจะไหลไปเราจะหลงไปจิตเราไม่ตั้งมั่นนะแต่จิตเราไปแช่ไปแช่นิ่งๆอยู่ที่พระเกศพระเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นเนี่ยมันไม่ไหลไปเห็นพระเกศพระนะแต่จิตเขาสักว่าเห็นจิตไม่ไหลไปนะแต่โดยไม่ได้ปลักของไว ไม่ได้รักษาไว้นะแต่ไม่ไหลไปส่วนจิตที่ไหลไปหาอารมณ์เนี่ยเรียกว่าจิตไปแชร่อยู่กับอารมณ์นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำแบบนั้นเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปดูท้องฟองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าบางคนไหลมากกว่าเท้าอีกนะไหลลงไปอยู่ที่พื้นรู้หมดเลยมีหน้ามาคุยอวดหลวงพ่ อ, อหนูเดินจงกรมนะคะรู้หมดเลยพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็ง หรือไปหาสวรรค์วิมานอะไรมีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราบ้างไหมเราภาวนาเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะไปดูพื้นแล้วมันได้อะไรขึ้นมานก็ต้องดูสิ่งที่เป็นกายเป็นใจข้างตัวเองเนี่ยนี่คนทั่วไปเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นแต่จิตชอบตั้งแฉเวลาไปรู้อะไรจิตจะไหลไปอยู่ที่นั้นเวลาเราดูโทรทัศน์เดี๋ยวกลับบ้านไปดูโทรทัศน์เราจะเห็นเลยจิตเราไหลไปอยู่ที่โทรทัศน์บ้างไหลไปคิดบ้างสลับกันไหลไปในโทรทัศน์เดี๋ยวก็แอบไปคิด เดี๋ยวก็ดูใหม่เดี๋ยวก็ไปคิดใหม่เนี่ยจิตไหลตลอดเวลาจิตชนิดนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นทำยังไงจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำฌานนะพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่เป็นหรอกทำฌานทำยากส่วนใหญ่ฌานบ้านฌานเรือนมากกว่าทำแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาวิธีที่สองเหมาะกับคนในเมืองซึ่งทำสมาธิไม่เป็นทำสมถะไม่เป็นนะคือใช้สติเนี่ยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น แ บ, บเยวต่งจัดวันไกวเกิน ien ไว้จะ cómo โดย clapping, scrolling like, scrolling like, ถึง эконом ฮั levei at You Sua โดยไว้เชื่อคนาฟ take Lean Water, ต้องบนด์ kindergarten in theian ที่ตั้งบ น, น่เปนสมมาลทำงาน bouti classe plets Team dissimilarick, eyeballs 5ชนิดหนึ่งจะ долларов for a second ทั้งเป็น taraf ใก่ประกันควรถบนดัง When? ต้องบนเยี่ยม bijiki แค่น ём ครับเราสำหรับท Ng Kagura ตั้งเป็นขณะขณะขณะใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บา่อยๆใจลอยก็คือใจไหลไปพอรู้ว่าใจไหลไปใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งนฝึกบา่อยๆนะต่อไปใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่หนีไปนานหรอกแล้วก็ไม่ไปเพ่งอยู่ด้วยใจที่ไปเพ่งเนี่ยเพราะมันไปตั้งแช่พวกที่ติดเพ่งนะให้รู้สำนึกตัวไว้เลยว่าจิตมันไปแช่อยู่กับอารมณ์น่าเกลียดมากนั้นไม่ทำถ้าจิตไหลไปปุ๊บรู้ทันจิตไหลปุ๊บรู้ทัน ห้ามดึงคืนถ้าดึงคืนจะแน่นอีกจิตที่แน่นแน่นเป็นอากูสนละจิตนะจิตที่เป็นกูสนเนี่ยจะเบาจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์คล้ำงำซื่อตรงในการรู้อารมณ์นี่ลักษณะของจิตที่เป็นกูสนยันจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อเป็นอากูสนเนี่ยเราไม่เอาเนี่ยเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นวิธีให้จิตตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วอย่าดึงคืนมา รู้ว่าไหลไปแล้วมันจะตั้งขึ้นเองทีละนิดทีละนิดสะสมไปเรื่อยแต่แปมตั้งอยู่ได้นานตั้งได้บ่อยไม่ใช่ดังได้นานตั้งท <c oughs> ีละแวบแหละแต่อยู่ได้บ่อยๆเกิดบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆยิ่งรู้ว่าหลงบ่อยนะจิตยิ่งตั้งมั่นบ่อยรู้ว่าหลงครั้งหนึ่งจิตตั้งมั่นทีหนึ่งรู้ว่าหลงครั้งหนึ่งจิตตั้งมั่นทีหนึ่งเนี่ยค่อยฝึกนะมีสมการนะสมการความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับหลงลบหนึ่ง ความรู้สึกตัวไปคิดแก้วเองก็ร่างขี้เกียจเฉลยสอนอะไรก็เศร้าเฉลยหมดเราไม่ใช่ติวเตอร์น่ารำจ <c oughs> ิตตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่พอเงื่อนไขตัวสุดท้ายนะอันแรกก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวสุดท้ายคือและเป็นกลางได้เป็นกลางก็คือ เวลาที่สภาวะใดๆเกิดขึ้นพอจิตไปรู้แล้วเนี่ยจิตมันยินดีบ้างยินร้ายบ้างห้ามมันไม่ได้ถ้ามันยินดียินร้ายขึ้นมาให้มีสติรู้ทันลงไปจิตยินดีแล้วรู้ทันจิตยินร้ายแล้วรู้ทันเช่นเห็นหลวงพ่อปุ๊บยินดียินดีขึ้นมารู้ทันถ้ารู้ไ ม, ม่ทันมันจะเปลี่ยนเป็นราคะหลวงพ่อไม่ยอมให้ลูกศิษย์มีราคะกับหลวงพ่อพวกเราจริงๆไปหาครูบาอาจารย์มีราคะกับครูบาอาจารย์นะ คือรักท่านเป็นส่วนตัวรู้สึกเป็นผูกพันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่อาจารย์ของฉั น, นมีนะบางคนหลวงพ่อเห็นมานานแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์บางคนไปหาหลวงปู่เทศนะรื้อน้ำตาไหลติ้งติ้งติ้ ง, งโอ้ยเราเห็นแล้วอยากเบี่ยงหลังมือบ้างหลังเท้าบ้างทำไมไม่มีสติไม่ได้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสตินะเพราะฉะนั้นจิตมันถูกความยินดีครอบงำให้รู้ทัน จิตมันถูกความยินร้ายครอบงำให้รู้ทันนะงั้นให้รู้ทันไปความจริงจิตเป็นกลางเนี่ยมีสามรูปแบบสามระดับอันหนึ่งเป็นกลางเพราะการเพร่งเอาไว้เพราะการกดการข่มเช่นเห็นหน้าคนนี้เกลียดมันนะพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธโกรธน้องโกรธน้องโกรธน้องโกรธแล้ววุ้ยท้ายข่มไม่ยุ่งไม่อยู่นะข่มไว้ก็เป็นกลางได้แต่ใช้ไม่ได้จริงนะข่มไว้หมดแรงข่มเมื่อไหร่ระเบิดเปลี่ยนเลย อ, อันที่สองเป็นกลางเพราะมีสติอันนี้ต้องอาศัยใช้ไปก่อนเพราะเรายังไม่มีกลางที่สามคือกลางด้วยปัญญากลางด้วยสติก็คือพอเราเห็นสิ่งนี้ใจยินดีรู้ทันเห็นอันนี้ใจยินร้ายรู้ทันตรงที่รู้ทันความยินดียินร้ายเนี่ยความยินดียินร้ายจะดับไปอภิชฌาและโทมนัสมันจะดับไปพอได้ยินเสียงความยินดีเกิดขึ้นรู้ทันความยินร้ายเกิดขึ้นรู้ทันความยินดียินร้ายจะดับไป คราวนี้เราก็จะรู้เสียงนั้นด้วยความไม่ยินดียินร้ายไม่ได้ห้ามยินดียินร้ายนะไม่ได้บังคับนะถ้าบังคับจะเข้าข้อที่หนึ่งกดเอาไว้ข่มเอาไว้เราไม่ได้บังคับแต่เรามีสติรู้ทันความยินดียินร้ายความยินดีร้ายดับเองอันนี้อันที่สองฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปพายินดีขึ้นมาก็รู้ยินร้ายขึ้นมาก็รู้ยินดียินร้ายตามหลังการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจคิดขึ้นมาก็ยินดียินร้ายได้ก็รู้ทันความยินดียินร้าย แม้เวลาเราดูจิตนะเราเห็นสภาวะก่อนพอเห็นสภาวะแล้วจิตยินดีก็ให้รู้ทันจิตยินร้ายก็ให้รู้ทันนะรู้อย่างนี้นะพอรู้มากๆเข้าปัญญามันจะเริ่มเกิดมันจะเห็นเลยว่าทุกอย่างชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ชั่วคราวพวกเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปวันหนึ่งจิตยอมรับว่าทุกอย่างชั่วคราวตัวนี้จะเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วปัญญารู้ความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราว สุกขก็ชั่วคราวทุก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวก็นมันเป็นของชั่วคราวจะเอามันทำไมมันเป็นของชั่วคราวจะเกลียดมันทำไมใจก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางไม่รักไม่เกลียดนะความเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญมากนะปัญญาตัวนี้ชื่อสังขารู้เบกขายานแปลว่ามีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกความปรุงแต่งทั้งปวงจิตจะเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละ ทุกอย่างโตกอยู่ใต้ใจรักในจิตเลยเป็นกลางพอจิตเป็นกลางแล้วข่าวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะจิตจะไม่ปรุงแต่งต่ออย่างเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็สักว่าเห็นความโกรธไม่ต้องหาทางทำให้ความโกรธหายเพราะไม่ได้เกลียดมันรู้นี่ว่าความโกรธก็ชั่วคราวเห็นความสุขเกิดขึ้นนะก็ไม่ดิ้นรนเพื่อจะรักษามันรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวโตที่จิตหมดความดิ้นรนตัวนี้แหละคือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลนะ จิตหมดความดิ้นรนจิตสักว่ารู้จิตสักว่าเห็นสภาวะอย่างแท้จริงรู้แล้วไม่ได้ทำอะไรต่อเพราะจิตเป็นกลางเสร็จแล้วรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรถ้าจิตไม่เป็นกลางเนี่ยจิตมีอคติอยู่นะจะเข้าไปแทรกแสงจิตจะทำงานอีกสร้างภพสร้างชาติปรุงแต่งต่องั้นเราภาวนานะจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละ S <S <an> <S เห็นทุกอย่างไมันเป็นของโชวั่วคราวนั่นแหละจิตหมดความดินหล้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนนี่แหละคือประตูที่จะก้าวสูม่มรรคผลในขณะตอบไปศักวารู้ศักว่าเห็นที่เราชอบพูดว่าศักวารู้ว่าเห็นเราไม่มีหรอกจนกว่าปัญญาเราแก่รอบจริงๆนะสังขารู้เบิกขาจานเกิดแล้วนะถึงจะศักวารู้ว่าเห็นได้ก่อนหน้านี้ไม่เป็นหรอกพูดแต่ปากหรอกใจไม่เป็นนะ นั่นเราฝึกไปนะฝึกดูสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปจนปัญญามันเกิดจิตจะสักว่ารู้ว่าเห็นทุกอย่างแล้วไม่ดินหน้นรนละสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดเลยเกิดแล้วดับเนี่ยเสมอกันหมดด้วยความเป็นใจรักถัดจากนั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้ น, นกระบวนการแห่งอริยมรรคนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะก็ไม่จำเป็นต้องเรีย น, นเดี๋ยวมันเป็นเองนะแปดโมงพอดีเชิญกลับบ้านไปดีไหมกลับไปเลยได้ยิ่งดีนะ นิมนท่านอาจารย์ถ้ายัางไม่กลับก็ไปกินข้าว